ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสาธุสูตรซึ่งเป็นลักษณะการเปร่งอุทานต่อพระพักพระพุทธเจ้าของกลุ่มเทวดา700รท่านด้วยกัน แต่คนที่เปร่งอุทานจริงๆก็คือตัวหัวหน้าแต่ละกลุ่มวันก่อนมาพูดถึงประเด็นที่เทวดาตัวหนึ่งได้กล่าวได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์ทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แลเมื่อแม้เมื่อของมีอยู่น้อยการให้ทานได้เป็นการดี ทานที่ให้แม้ด้วยศรัท ธ, ธาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วยิ่งเป็นการดีอเนื่องทานที่บุคคลเลือกให้ยิ่งเป็นการดีทานที่เลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญบุคคลทั้งหลายผู้ควรแก่ทักษินาย่อมมีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์นี้ทานทั้งหลายบุคคลให้แล้ว ในบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหวานแล้วในนาที่ดีนบนประเด็นตรงนี้เราจะเห็นว่าเทวดาตนนี้ได้กล่าวหลายประเด็นด้วยกันมันมีซ้ำอยู่เฉพาะประเด็นแรกคือข้าแต่พระองค์ผู้ในรทุกผู้ไม่ทานยางประโยชน์ ให้สำเร็จได้แลแม้เมื่อของมีน้อยก็ควรให้ได้การให้ได้เนี่ยเป็นการดีแล้วก็ทานที่ให้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์สําสำเร็จทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วยิ่งเป็นการดีนี่ก็ประเด็นที่สืบเนื่องมาจากองค์กร ที่ประเด็นเกิดขึ้นใหม่ก็คืออั น, นืองทานที่บุคคลเลือกให้ยิ่งเป็นการดีบาลีบอกว่าวิเจยดานังสุกตับประสัดังการเลือกให้เป็นการกระทําที่พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญโดยเฉพาะ ย, ายิ่งคือการให้ทานในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าต้องคิดกันหลายชั้นนะนะฮะ เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่แสวงหาประโยชน์จากความใจดีของคนไทยอยู่เป็นนันมากแล้วบางครั้งบางคราวก็น่าเชื่อซะด้วยและส่วนใหญ่ก็จะเชื่อนะทีนี้ปัญหาสำคัญว่าสิ่งที่เราจะต้องใครครววในประเด็นแรกก็คือ ในตัวของเราเองคือความพร้อมในตัวของเราประเด็นหลักที่ต้องเน้นก็คือหนึ่งคือศรัทธาพรในขณะนั้นเรามีศรัทธาต่อการให้ทานหรือไม่ประการที่สองก็คือทรัพย์ที่เราจะให้พู้เจ้าทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็นสี่ลักษณะหนึ่งท่าสรทาน้อย ซับมากก็ให้ตามศรัทธาสอศรัทธามากแต่ซัพย์น้อยก็ให้ตามทรับเอ่อสาศรัทธาก็มากซัพย์ก็มากก็ตามแต่หรือศรัทธาน้อยทรับน้อยก็ตามอัธยาศัยนะแต่ถ้าศรัทธาน้อยทรับน้อยนี่ที่จริงมัควรให้เรา ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องการให้อภัยการให้เหตุผลให้สติปัญญาเพราะว่ากรอบขอบข่ายของคำบุญนีมมันกว้างขวางมากจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นการกระจั ด, ดกัดเกลากิเลสให้เจือจางบาบางลงไปจะจิตใจได้การกระทำเช่นนั้นก็เรียกว่าบุญเพราะถ้าเราไปผูกโยงระหว่างบุญกระทานไว้อย่างเดียวเนี่ยมันจะลาบาก แต่ถ้าเราปลูกโยงกุศลและธรรมทั้งมวลที่ทาหน้าที่ชำระล้างกิเลสให้จางคลายลงไปจากจิตใจแล้วก็มีผลเป็นความสุขกรอบมันจะใหญ่และถ้าไม่เราสามารถทำบุญได้ทุกขณะจิ ต, ตคิดทำพูดคิดทำพูดคิดทำพูดให้มันสุจริตก็แล้วกันนะ โดยไม่ต้องบริจาคเงินแม้แต่บาทเดียวแต่การกระทำนั้นถ้าก็จัดเป็นบุญเพียงแต่ว่าปฐมไม่เหตุที่เทวดาประรบเนี่ยท่านประรบเรื่องฐานวัตถุแล้วก็รายละเอียดที่ยึดโยงอยู่กับฐานวัตถุเพราะงั้น ในกรอบของคำว่าทานของท่านเนี่ยจึงเน้นที่เฉพาะวัตถุทานแต่นอกนั้นก็จะเสริมเติมพวกสติพวกความไม่ประมาทโปรสัทธาพวกปัญญาะอะไรอไรเข้าไปเพราะกุศลละเจตนาที่เกิดขึ้นไป็นแต่คนทำบุญเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเพียงข้อเดียว เราต้องเกิดหนุนเนื่องกันต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็มีสถานที่แห่งหนึ่งนานมาแล้วนะโยมถวายถวายเจตนาจะให้อัตมาสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประมาณยี่สิบกว่าปีไปแล้วแต่เราเห็นว่า พื้นที่นั้นมันน้อยแล้วก็อยู่ไกลชุมชนแล้วก็เป็นสมนครสง์อยู่ก่อนเราก็ไม่อยากยุง่งแต่มันก็ถวายแล้วเราก็จัดให้พระดำเนินการพัฒนาขึ้นจนทุกวันเป็นวัดนะฮะแล้วก็ ส, ส, สร้างโวสถเจดะ แต่อย่างก็ต้องขยายกว่านั้นก็เจอกับเจ้าของที่ซึ่งรอบๆก็ยังเป็นป่านะเป็นป่าที่ระดงมาหน้าดินนี่ถูกขุดไปขายหมดละทางวัดเองก็ต้องการขยายเพราะมันคแคบแคบเมื่องการเป็นวัดป่าเนี่ยมันต้องมีที่ที่ให้ความวิเวกพอสมควร เลยก็บอกเขาบอกว่าไอ้บอกน้องด้วยบอกว่าเราสร้างวัดนะ่ยมันเป็นบุญติดตัวเราได้เงินเนี่ยมันติดโลกไอ้ที่ดินที่เราสร้างวัดมันก็เป็นวัดอยู่ตลอดไปแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ติดตามเราไปได้ตลอด ทุกครั้งที่มีการใช้สอยผลประโยชน์จากวัดเราก็ได้บุญทุกคราาแต่ว่าต้องเอาไปคิดดีอย่าให้เกิดเสียดายที่หลังขายก็ขายเถอะแต่ใหญ่มันแพงเกินเหตุไปประวัติกรมหลจงสตังที่ไหนมาซื้อหรอกต้องอาศัยพลังศรัทธาของชาวบ้านอีกนั่นแหละ รู้สึกว่าเขาก็ยินมยิ้มจ่สใสดีนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ็นด้วยก็จะไปพูดกับน้องแต่ว่าผลนี่เป็นยังไงก็ยังไม่ทราบทีนี้มันก็อยู่ที่เราใช้ปัญญาคิดนะ่ที่เขาบอกขายนี่รายหนึ่งตั้งห้าล้านวันจะซื้อหมดมันก็เงินเยอะ แต่เงินนั้นมันเป็นเงินที่เกิดขึ้นมาจากการด้วยไรยเงินก็ยกมือทาบุญมานะฮะเดี๋วเราก็ไปรู้รีดอกับการทาบุญอีกทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกเพาเจตนาเขาต้องการให้เป็นวัดซึ่งก็ไม่ควรจะมากเกินไปก็ช่วยกันทาบุญ แต่เราก็พบเห็นความเจริญเติบโตมีกิจกรรมต่างๆภายในวัดเมื่อเกิดปีติประโมทมันก็ได้บุญอ่ะพวกอภิราภราชิตนาแต่ทั้งหมดมันก็อยู่ในการคข้ครวนตรงนี้เป็นคำกล่าวของเทวดาแต่ว่ากล่าวมาจากพระพุทธธรรรัดว่าการคร่ครวนซะก่อนแล้วจึงจะให้เนี่ย ระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญทีนี้ทานที่เรียกให้เนี่ยบุคคลทั้งหลายควรผู้ควรแก่ทักษิณาคือหมายความว่าคนที่ควรแก่ทักษิณาเนี่ยคือเน้นไปที่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันการทำอื่นมันก็เป็นทักษินานั่นแหละ คือองค์ประกอบหลักมันก็อุปมาเหมือนกระหวานพืชลงในนาบุก ข, ข้าวในนาเนี่ยคือพันข้าวต้องดีแล้วก็สภาพแวดล้อมต้องดีแล้วก็ดินต้องดีองค์ประกอบร่วมหลดเนียมันป็มีความสาคัญเพราะการให้ทานจึงไปมองที่ตัวผู้รับ อย่างที่เคยพูดไว้ในวันก่อนที่พูดถึงสัมปทาคุณสี่เราจะเห็นว่าพูดถึงตัวคนผู้รับตั้งสองข้อนะข้อหนึ่งก็คือวัตถุสัมปทาท่านต้องเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบระดับพระนาคามีเพรา ะ, ะถ้าระดับพระนาคามีเนี่ยหมายความว่าสังกคุณสามข้อแรกเนี่ยสมบูรณ์ ปฏิบัติดีสมบูรณ์ปฏิบัติตรงสมบูรณ์ปฏิบัติเพื่อนิพานที่สมบูรณ์เพราะสังฆคุณสี่ข้อเนี่ยนะฮะเวลาท่านอธิบายเต็มยศเนี่ยหมายความสุปฏิบัณโนคือพระโสดาบันคือชุปฏิบันโนที่แปลว่าปฏิบัติตรงนั้นคือพระสกทาคามียายาปฏิบัณโนที่แปลว่าปฏิบัติเป็นธรรมเนี่ยหรือปฏิบัติเพื่อนิพานเนี่ยคือพระนาคามี เพราะอย่างน้อยเนี่ยสังฆคุณสามข้อแรกในสมบูรณ์แต่ว่าที่ท่านพูดจริงๆเนี่ยเน้นไปที่สมบูรณ์หมดคือเป็นพระหันเกเรสามีจิตปฏิปโนเนี่ยเป็นคุณสมบัติเฉพาะพระอรหันต์นะหมายความถ้าสมบูรณ์ก็ต้องเป็นพระอรหันต์เพราะสามีแปลว่าเป็นใหญ่เป็นนายเหนืออำนาจของกิเลส กิเลสไม่สามารถมาว่แวอะไรได้นะมาสร้างความสับสนอะไรให้ก่จิตใจกันท่านได้ตอานยังเรียกว่าสามีจิตปฏิปตโนทีนี้คนดังเนี้ยท่านรับประกันว่ามันมีมีอยู่ในโลกเนี้ยแล้วก็มีคนเป็นอันมากนะที่ให้ทานไปแล้วแล้วก็ผลมันกลับมาในราจรสิรสูง ก็ระยะเวลาก็ใกล้ๆ ก, กันอามาเองเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้หลายครั้งนะฮะที่ตัวเองทำเองแล้วก็ผลย้อนกลับมาในเวลาบางทีไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงที่ทไปแต่เราก็สังเกตเทียบเกียงเออมันก็แปลกดี เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดที่จะหวังผลอะไรตอบแทนในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าน่าสังเกตนะคราวหนึ่งเนี่ยประมาณประมาณไม่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะฮะเพื่อไปที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเป็นเจ้าภาพสวดศพหลวงตาซึ่งเป็นน้องแต่ยาย ท่านมนภาพเราก็รู้เราก็ไปปลูกดุษฎ์ดุขหาก็าไปกันคือได้มารับเป็นจ้ภาพหมดทั้งเทศทั้งสวดแล้วก็เราก็มีภารกิจเราต้องกลับพอ ร, รุ่งเช้าใด้กลับมาถึงก็มาเทศที่บูตรพระแก้วคือมันแปลกที่ว่ากันเทศวันนั้นมันเหมือนกับที่เราถวายสีที่ปักพนัง แล้วเงินอะไรที่เราถวายค่าบูชากันเทศค่าสวดของอะไรแต่ไรมันเหมือนกันเลยรู<ม>ส้สึกอัศจรรย์แ น, นตวตรงนี้มีมีหลายครั้งก็แสดงให้เห็นว่าเคยคุยกับท่านผู้หนึ่งซึ่งมีฐานยากจนแต่ว่าแกแกขายของเก่าอ่ะสร้อยแหวนอะไรแต่ไรต่างๆ ไปบุรณนะบุรณะหลังคากา ร, ปรเปลียนที่จริงมันมีลักษณะเป็นวิหารที่วัดวัดมหาธาตุวัดพระมหาธาตุเมื่อก่อนมันคือวัดพระบรมธาตุวัดที่มีเจดีย์นะฮะที่จริงตรงนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปเป็นพระรูปพระนางเหมมาลากรทุนกุมาร ถึงเป็นผู้นำไปรูปจำลองนะฮะแล้วก็มาเข้าฝันบอกว่าผลตกรถท่านทุกคราวช่วยไปบูรณะลังคายหน่อยท่านก็บออแปลกคนรวยๆเยอะพระไม่มาเข้าฝันแต่มาเข้าฝันท่านสมควรตายายเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน แล้วท่านก็เอาของเก่าๆกเก็บมาขายหมดเลยแล้วก็จ้างช่างมาทำมาบูนาให้จากนั้นมาทำมาค้าขายได้บันขึ้นจนเคยขายข้าวสารทีละลิตทีละถังอะไรนะแล้วก็ขายได้เป็นกระสอบเป็นเกวียนเป็นหลายๆเกวียนจนถึงกับมีกิจกรรมขนาดใหญ่ได้ตอนพบกันคนกันแนะนาไม่รู้จัก ก็ก็ถามประโยค์ง่ายๆนะฮะเพาถ้ากำลังจะสร้างเกียรติบัญญัตประลมสาลิกธาตุแต่ถามมโยมทำบุญมากอย่างนี้ไม่กลัวเหรอไม่กลัวจะยากจนไม่กลัวทรัพย์สินจะหมดไปแหละเขบอกไม่ต้องกลัวหรอกครับมันมาเองประโยคนนี้เคยเคยเคยถามคนตักบาตรที่กล้วัดวร์วอคนตักบาตรเยอะมากเงิน แบอกไม่ต้องกลัวละครับมันมาเองมาให้ทำบุญเองแแกก็ทำาองแกอย่างต่อเนื่องอันนี้คือคือหมายความว่ามันมีประสบการณ์ตรงเข้ามาเสริมแล้วทำให้พลังกับศรัทธาเนี่ยมันเพิ่มสติมันเพิ่มสมาธิมันเพิ่มศรัทธามันเพิ่มปัญญามันเพิ่มเพื่อคุณภาพจิตมันเลยบริสุทธิ์บริสุทธิ์สูงขึ้นก็ทาให้บุญมันก็สูงขึ้น สํานวนศาสนาท่นเรียกว่าบุญยสัมปทาปุญญาภิสันธาในการหลั่งไหลามาของผลบุญท่านก็บอกแสดงความเชื่อมั่นของท่านนะฮะว่าบุคคลทั้งหลายผู้ควรแก่ทักษินาย่อมมีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์นี้ทานทั้งหลายบุคคลให้แล้วในบุคคลทั้งหลายนั้น อันนี้เน้นที่ผลสูงสุดนะฮะเน้นที่ผลสูงสุดคือพระเจ้าทรงแสดงทักษินาวิสุทธิ์หมายความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของทานที่เราบริจาคเนี่ยถึงจำแนกไว้เป็นสี่อย่างทักษิณาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้หมายความผู้รับเองก็ไม่มีศีลมีกัลยาณธรรมผู้ให้เองก็ไม่มีศีลมีกัลยาณธรรม การนัดานมก็มีผลแต่มีผลน้อยหรือแต่เราคิดเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่ายี่สิห้าเปอร์ซ็น์แหละผลไม่มากมันเหมือนกับพืชชนิดไม่ดีแล้วก็ปลูกในดินที่ไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะงอกเนี่ยยังยากเลยทีนี้การทักษินาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ ตึงสมัยความมาได้ผลสักครึ่งการคิดไว้ห้าสิปอร์ซทีนี้บางอย่างก็บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้อันนี้ก็ครึ่งเหมือนกันทีนี้ไอ้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นองค์ประกอบร่วมระหว่างผู้รับกับผู้ให้และองค์ประกอบต่างๆอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อน คือหมายความว่าตัวผู้ให้เองตัวสิ่งที่เราให้และเจตนาในการให้ทั้งสามการจะต้องบริสุทธิ์แล้วผู้รับก็ต้องอยู่ในศีลในการระยาธรรมอันนี้เรียกว่า ม, มีความสมบูรณ์ก็มีผลมีอนิสง์มากเทวดาท่านก็เชื่อว่าบุคคลรา น, นี้ก็มีอยู่ ก็ประดีก็พูดตอบพระพักตร์พระพุทธเจ้ามันก็ของแน่อยู่แล้วนะฮะก็มีอยู่มันบอกย่ามมีผลมากเหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหว่านแล้วในนาที่ดีความเจริญเติบโตของพืชมันก็ดีขึ้นนะฮะคือปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยสำคัญ อย่างเรามีปัญหาข้อข้องใจทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปเนี่ยในรายละเอียดจริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเครับเขาเรียกว่าทำดีถูกที่ทำดีถูกคนทำดีถูกเวลาแล้วทำดีถูกดีคืออประกอบันจะมีอยู่4ีอย่างเดียวกับคติสมบัติสมบูรณ์ด้วยคติ นะั่นคือสถานที่ที่เราทำบุคคลผู้รับอะไรก็ตามองประกอบต่างๆแล้วก็อุปธิสมบัติคือตัวคนแล้วก็การสมบัติคือการเวลาขณะตลอดถึงขณะจิตด้วยนะฮะขณะจิตที่ที่เราให้หรือก่อนให้ขณะให้หลังจากให้โดยเฉพาะหลังจากให้ในช่วงมันยาวรักษาคุณภาพจิตไว้ได้หรือไมนะ่เพราะงั้นเราจึงมีจารานุส ต, ติ การตั้งสติแล้ลึกถึงทานที่เราบริจาคไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้่แล้วนํามาระลึกเนี่ยมันเกิดปีติประโมททีนี้พอ ป, ปีติประโมทแล้วท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าจิตมันจะเดินไปในกระบวนของโคชงทั้งเจ็ดทีนี้การที่ก่อนจะเกิดปีติประโมทแสดงเรามีสติระลึกมีสัพจัญญะรู้ แล้วก็มีความพยายามที่จะระลึกจนถึงจิตมันนิ่งแล้วเกิดปีติประโมทจิตมันก็เดินนะฮะก็เข้าสัมมาสติเข้าสัมมาสมาธิไปเพราะงั้นจริงๆก็คือเดินไปตามหลักของอรอยิยมรรคแนวของอนุสติเนี่ยมันจึงกอให้เกิดปีติประโมท แปลว่าก่อนหน้านั้นนะ่ยคือสิ่งที่เราระลึกแสดงว่ามีสติมีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องพิจิพิจารณาสอดส่องต้องให้เห็นนะฮะถ้าหเห็นนะันจะเกิดถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงยันศีลานณิตก็เหมือนกันต้องเห็นความไปสุดของศีลเราไม่ใช่ศีลคนอื่นแต่ตามปกติแล้วคนเราก็จะจะจ ะ, จะไปเพ่งโทษคนอื่นนะฮะคือจะดูศีลคนอื่นไม่ก็ดูศีลตัวเอง ในหน้าที่ของเราที่จริงเราดูศีลเราดูการบริโภคดูการบริจาคของเราถ้านอกตัวก็คือดูพระพุทธคุณธรรมคุณสักฆคุณแล้วก็เห็นคุณของบรัตนตรัยในจิตเราเรามีคุณบรัตนตรัยอยู่บ้างหรือเปล่าหรือเทวตานุตตที่จริงเราดูเทวดาเป็นต้นแบบแต่ว่าน้อมเข้ามาหาดูที่จิตเราอีกทีหนึ่งว่าเรามีเทวธรรมไหม ถาบ้ที่ทำคนนั้นเป็นเทวดาเรามีอยู่ภายในจิตใจเราไหมนะถ้าเห็นมันก็เกิดปิติประมุเมื่นานุสติก็เหมือนกันคือระลึกถึงคนตายก่อนเพื่อเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็น้อมเข้ามาเราจะเน้นจริงว่าเรามันก็ต้องตายคือบางครั้งบางคราวเราก็ไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องเหล่านี้มากไป อย่างเช่นเราป่วยเนี่ยคือป่วยบางทีมันไม่มีทางหายอ่ะเช่นเช่นมาเป็นเบาหวานเป็นหัวใจยังไม่ได้มีทางหายเรารู้จดอันที่โยมก็แสดงความมิตกังวลบอกไม่ต้องไปห่วงน้องโยมมันมาด้วยกันมันเดืยกก็ไปด้วยกันมันไม่หายมันก็ตายพร้อมกันเนี่ยถึงหายมันก็ตายอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันหายไปก่อนเราตายทีหลังทีนี้แต่มันไม่หายก็ก็พร้อมกันเราก็ตายมันก็ตาย มันก็ต้องหายไปเองมันเด็วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับมันทีนี้เทวดาตนต่อไปก็เปรงอุทานเหมือนกันนะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์คือไม่มีทุกข์ก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้นิรทุกข์คือปราศจากทุกข์หรือไม่มีทุกข์ทานยังประโยชน์ให้สําเร็จได้แลแม้เมื่อของมีอยู่น้อยการให้ทานได้เป็นการดีทานที่ให้ แม้ด้วยศรัท ธ, ธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมันได้แล้วยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งทานที่บุคคลเลือกให้ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่ ง, ลล ง, นนงไม่เอาทานแล้วทีนี้เทวดาตนนี้ไม่เอาทานแล้วพูดถึงการสำรวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายยิ่งเป็นการดีนี่คือสีนะถึงข้อที่หนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องปัญหาภูเขาเลย สิ่งข้อที่หนในสังคมเราแก้ไม่ได้มันแก้ได้ในส่วนปัจเจกะแต่แก้เป็นสังคมไม่ได้แม้แต่ยุคสมัยที่พระเจ้ายังทรงประชดอยู่เราก็แก้ไม่ได้พระหานี้ถูกฆ่าเลยจะนับภาษาอะไรกับคนเราไปพระอหานังถูกฆ่าพระโมคคัลานะยังถูกฆ่าเพระาะ ก, การสมบูมระวังในสัตว์ทั้งหลายถ้าเราทําได้จริงๆนะ โอ้ยโลกมันจะน่าอยู่มากเลยเตียนี้อะไรอะธรรมญาตราจะล่องไปทางใต้ก็ไปชุมกันแล้วประชุมกันอีกประสานงานกระท้องชินอะไรอะไรกว่าจะได้กันก็แสดงว่าเราอยู่ด้วยความมิตกกังวลวันที่สามเอ็ที่เกิดระเบิดขึ้นมาแปดจุด มันก็ทำให้คนเครียดขวัญเสียสูญเสียความมั่นใจในรัฐบาลซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยเราโทษใครไม่ได้เลยนะฮะเพราะคนทำเนี่ยเขาคิดในหมู่กลุ่มของเขาเพียงแต่เราดูออกว่ามันมีกลุ่มบุคคลที่มีการวางแผนมีการสนับสนุนในด้านต่างๆอยู่เบื้องหลัง เพราะไรเพราะว่ามันทํานองเดียวกันหมดแต่ทํานองในลักษณะนี้ถ้าเราเทียบเคียงมันก็เคยเกิดที่นราธิวาสเพราะในเวทวงทหารก็เคยถามนายทหารระดับผลเอกนะฮะอดีตนายทหารมันก็บอกว่าแบบเดียวกับที่นราธิวาสแต่ว่าคนก็วิตกกังวลกัน เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าการสํารวมระวังในสัตว์ต่างหลายเราสํารวมระวังนะเราจะเกณฑ์คนอื่นสํารวมระวังในเรามันเราเกณฑ์ไม่ได้หรอกแต่เรามีหน้าที่สํารวมระวังเรารับผิดชอบในตัวกรรมเราเรารับผิดชอบกรรมคนอื่นไม่ได้วันก่อนที่กลับจากวัดป่าทองเนียม เลี้ยวออกถนนใหญ่นะฮะถนนเพชรเกษมก็เจอรถชนกันรถเก๋งกับรถแท็กซี่ชนกันปรากฏแท็กซี่เป็นคนชนนะนะฮะแท็กซี่เป็นคนชนแต่ตัวเองก็พังไปเป็นแถบเลยรถเก๋งดูพวกไ ม, ไม่ไม่เคยช้ำอะไรเท่าไหร่ น, นั่นคือแสดงเองว่าเราไม่สรุประวังในการขับรถ แต่ในขณะเดียกันรถที่ถูกชนก็ไม่ระมัดระวังกลัวคนอื่นจะชนไปจริงการขับรถเนี่ยนอกจากดูกฎจราจรแล้วก็ดูรถของเราและดูรถของคนอื่นทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างนะสติต้องดีมากเกิดเผล อ, เ, อเกิดล่งลืมเกิดพลั้งพลาดขึ้นมาก็มีปัญหาได้เพราะงั้นตรงนี้ที่จริงมันเป็นศีลแล้วนะฮะ เป็นศีลแล้วแต่อย่าลืมมันเป็นไหนเป็นอภัยทานมันก็คือทานนะฮะวอทานอย่างหนึ่งเป็นอภัยทานความสารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโอ้ถ้าทำได้แล้วก็ยอดแล้วเป็นปัญหาภูเขาปัญหาใหญ่ให้เราลองสังเกตว่าศีลข้อปานาธิบาตเนี่ยถ้าเราจับหลักได้ เรามาถึงจุดสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายที่จริงถ้าเรียงเป็นลาดับแล้วเนี่ยเป็นขั้นที่สามเท่านั้นเองเพราะศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเวลาทรงแสดงมันเป็นบันไดเป็นหกขั้นด้วยกันคือหนึ่งงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายสองไม่พกพาอาวุธเครื่องประหารสามสรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นศีลที่ประณีต เพราะสับรวมระวางเนี่ยบางทีมันมันมันไม่ผิกดกฎหมายอ่ะ เ, ออเช่นสมมติว่าเราไปนั่งกีดขวางทางเดินของคนหรือว่านั่งรถโดยสารแต่ว่ า, าไปคร่อมจะสองที่อย่างเงี้ยนั่งรถไฟแล้วขึ้นไปนอนจะบนบนเก้าอี้นั่งเนี่ย ถึงมานั่งได้สามคนหรือสองคนเราไปนอนกันเลยอย่างเงี้ยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันก็ถือว่าเบียดเบียงคนอืนะ่นน่ยมันจิตใจคนต้องประณีตต้องมีความเป็นผู้ดีสูงพอสารวมระวังจึงเป็นขั้งที่สามเพราะต่อไปมันจะเป็นฮิริโอ ต, ตะปะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเมตตาอินดูแล้วก็ข้อสุดท้ายในสภาพจิตที่มีความเป็นสากล คือมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าโลกาณกรรมประโก้พอจิตถึงนั้นแล้วก็ศีลไม่ต้องนับข้อแล้วนับได้เป็นพันๆเลยจิตจากนั้นไม่ ม, มีแม้แต่ความคิดที่จะประทุษร้ายใครไม่มีความคิดที่จะล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของใครสิทธิในคู่ครองของใคร แล้วไม่มีแม้แต่ความคิดจะโกะหกหลอกลวงต้มตุนใครเพราะจริงๆถ้าเดินมาได้ถึงขั้นนี้นะถึงขั้นสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกรอบของสีนี่มันจะไปเยอะเลยเช่นเดินไปเบียดไปแทรกไปแซงไปอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สำรวมระวังอะ่ะมันนี่คนอื่นอยู่ด้วย เห็นไหมตรงนี้ ท, ที่ที่จริงฝึกยากแล้วเอาขนาดสำรวประวังในศาสตร์ตั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวมาสังเกตที่วัดบวรเนี่ยเราเดินเมื่อก่อนเนี่ยมาอยู่วัดบวรใหม่ๆเนี่ยเดินเด็ ก, กันหลีใข่น ะ, ะแต่ทุกวันเราต้องหลีกเด็กนะแต่พยายามหลีกเลยจนถึงก็บเด็กนักเรียนผู้หญิงที่โรงเรียนจตริวิทยาหลายปีมาแล้วนะฮะประมาณทักยี่สกว่าปีมา ประมาณหนึ medio, ่งสองหนึ่งสามเนี่ยเป็นคำถามที <prom> <ification> ่ถือว่าแปลกมากแกถามมาทำไมเวนี้พระเดินไม่ค่อยหลีกผู้หญิงเป็นคำถามที่ถือว่าเป็นคำถามครั้งแรกนะเราก็เออว่าเอยก็บอกให้เธอฟังพราเด็กมหนึ่งนั่นเองนะบอกบอกเธอว่าคือตามปกติแล้วผู้หญิงก็หลีกให้พร คนพระเดินที่ไม่หลีกนี่ท่านเข้าใจว่าโยมจะหลีกให้แต่โยมไม่หลีกท่านก็หลีกนั่นแหละเึงแต่อาจจะช้าไปหน่อยตามปกติแล้วอย่างโยมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทงางภาคอีสานนนี่ยัยงเจอเยอะเดินสวนก็โยมน่โยมบิง้งโยมไปนั่งยกมือไหว่อยู่ริมถนนเนี่ย ที่ไปถืออาวุธถือแห่ถืออวนถือเครื่องมือดักสัตว์อะไรต่ออะไรต้องหลบหลบซ่อนๆ่อนลีลไอ้สังคมมันเปลี่ยนกับพระก็ไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นสมนึกดีของคนนั่นเองหรือพระไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกแต่ว่าแสดงว่าจิตใจของคนนี่ละเมิดละไมประการสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมันเป็นการสร้างสังคม สันตินสังคมที่มีมิตรภาพมีพระร์ลภาพสิส ภ, ภาพขวามก็เจงหวัดระแวงวิตกกังวลกลัวระเบิดจนเครียดเนี่ยมันไม่มีหรอแต่เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ครัเพราะคนก็คือคนโลกมนุษย์ก็คือมนุษย์จะเอาอะไรกับเขาตั้งแต่ยงแต่ว่าคำสอนระดับสีลองสังเกตว่า มันเป็นเรื่องเฉพาะใครก็คือคนนั้นได้คุณมีหน้าที่สำรวมคุณํำรวมไปเพราะถึงจุดหนึ่งจิตใจที่มันประณีตเนี่ยคนอื่นก็ฆ่าเราเนี่ยเราไม่คิดแม้แต่จะฆ่าเขานั้นคือวิธีของพุทธดูแลแต่เรามองในแง่สังคมที่มีความรุนแรงแตกแยกอย่างในปัจจุบันนี่คล้ายๆกับเป็นคาสอนที่อ่อนแอ แต่ที่จริงเครื่องสอนที่เข้มแข็งเราจะไความชั่วได้แม้ด้วยการเสี่ยงชีวิตตัวเองคำนี้ไม่ใช่ง่ายนะคือสำรวมระหวังในสัตว์ทั้งหลายขนาดว่าตอนที่พระเจ้าทรงประทับที่ต้นจิกชื่อมุจลินก็ทรงเปล่งอุทาในลักษณะ น, นี้เหมือนกันอัิยาประจังสุ ข, ขังโลเกปานาภูเตสุสัญญโม การไม่เบียดเบียนกันคือการสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขในโลกทีนี้เทวดาท่านก็กล่าวต่อกล่าวตอนนี้ที่จริงไม่จะถานแล้วท่านก็บอกว่าบุคคลใดประพฤติเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอยู่คือการไม่เบียดเบีย น, นยต้องถึงจิตนะฮะ เพราะถ้าจิตคิดจะฆ่าอยู่เนี่ยเขาเรียกมีวัฏกะเจตนาอยู่มีจิตคิดจะฆ่ามีจิตคิดจะลักมีจิตคิดจะล่วงละเมิดคู่ครองคนอื่นมีจิตคิดจะโกหกมันสำรวมแต่ไม่ถึงใจมันใจต้องทำรวมด้วยเพราะว่าศีลที่แรงๆนะฮะศีลที่แรงๆเขาเรียกสัจจิตตกะคือต้องจงใจต้องจงใจคิด แล้วก็ทําแล้วก็พูดออกไปเพราะศีลศีลระดับแรงๆเนี่ยจึงทําเองก็ขาดศีลใช้คนอื่นทําก็ขาดศีลถ้าเป็นพระทําเองก็ต้องอาบัติใช้คนอื่นทําก็ต้องอาบัติโยมก็เรียกว่าขาดศีล น, นะพระก็ต้องอาบัติที่จริงก็คือกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้กรอบของอาบัติเนี่ยมันละเมิดละไมกว่าเพราะสิงจุดหนึ่งโยไม่เป็นอาบัติแต่พระเป็นอาบัติ นะเช่นว่าพระอยู่ปราศจากใจจีวรหนึ่งคืนนะมันปรับประบติแล้วก็เว้นไว้แต่ว่าพวกที่ได้อานิสงส์จากการเข้าบรรษาจากการรับกระชินอนะ่พวกนี้จะยืดไปถึงกลางเดือนสี่คือหมายความว่าตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดอย่างไกลก็ถึงกลางเดือนสี่ตอนนี้ ถ้าไม่ครบสามผืนก็ได้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วต้องครบละนี่ก็คือคือโยมไม่เป็นอาบัติเห็นไหมกรอบอาบัตมันใหญ่กว่ากรอบคามาขาดศีลแศีลถึงจุดหนึ่งมันไม่มันไม่ถึงก็ขาดเขาเรียกว่าเป็นธนกรรมอย่างสามเณรเนี่ยเราจะเห็นว่าศีลที่เป็นขาดจริงๆเนี่ยก็มีสิบข้อ แต่ว่าเป็นธนกรรมอีกสิบประสีลจากข้อหไปเนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่ขาดนะก็ถือเป็นธนกรรมต้องลงโทษให้ถูกพื้นใ้กวาดขยะให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องสมาทานศีใหม่เหมือนกันันประโยชน์ตรงเนี้ยถ้าไปไปได้ท่านบอกบุคคลใดประพฤติเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอยู่ จนไม่ทำบาปหมายความว่ากายสงบวาจาสงบใจสงบแต่สงบได้อย่างนี้โอโหเรื่องใหญ่เลยสงบถึงใจนะี่ที่จริงทำยากนะฮะใจไม่สั่นไหวมันต้องไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้สั่นไหว เพราะในสันตะกายโยสันตะวะโยสันตะมโนในการสงบประจัยสงบใจสงบที่สมบูรณ์โดยไม่พลาดเลยเนี่ยหมายความว่าไม่มีกิเลสอยู่เลยถ้ายังมีกิเลสอยู่แล้วโอกาสมันอาจจะเกิดชุงสั้นช่งยาวก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ไม่ทําบาปนี่คือกรอบใหญ่เลยไม่ทําบาปต้องเข้าใจว่าไม่คิดบาปไม่พูดบาปเลย เพราะกลัวความติเตียนแห่งผู้อื่นนี่ยังหยาบนะฮะคือกลัวคนอื่นเขาจะติเตียนเนี่ยหมายความมารับหลังอาจจะทําบาปก็ได้ถ้าคนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่รับรู้เนี่ยอาจจะทําบาปก็ได้เพราะพวกนี้มันต้องอาศัยกระแสสังคมเป็นตัวกํากับควบคุมความประพฤติตอนหน้าก็อาจจะอย่างหนึง่งรับหลังก็อาจจะอย่างหนึง่ง เห็นไหมภาษาที่เป็นถุกภาษาิตในี่ยเขาเะเบียะใหม่ดมากคือตามปกติแล้วเนี่ยมันคนที่กลัวถูกคนอื่นติเตียนหรือกลัวว่าตนเองจะติเตียนตนเองได้เนี่ยคนที่กลัวคนอื่นจะติเตียนเนี่ยโอกาสจะทําบาปในรับนี่ได้แต่ถ้ากลัวว่าตนเองจะติเตียนตนเองได้เนี่ยไม่กล้าแม้แต่จะคิดบาป รึกลัวต่วออนาแผ่นดินเนี่ยพวกนี้ไม่แน่มองซ้ายมองขวาขับรถมองซ้ายมองขวาไฟแดงไม่เห็นตำรวจไปเลย น, นี่ก็แสดงว่ามันต้องอาศัยคนอื่นเข้ามากำกับมันยังขาดสำนึกที่เราเรียกว่ามีวิตญา ใ, ในตัวเองทีนี้คนที่ติดเตียนตัวเองได้แล้วก็คนที่กลัวต่อภัยในนรกเนี่ย จิตใจจะประนีตแล้วก็ท่านก็แสดงว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นผู้กลัวบาปคนก ล, กลัวบาปตามปกติแล้วกลัวว่าทาไปแล้วตัวเองจะติเดเตียนตันเองได้หรือว่าทําไปแล้วผู้รู้จะทํหนิติเดเตียนหรือว่า กลัวต่ออาญาแผ่นดินหรือกลัวต่อภัยในในรกหรือจะกลัวความเสื่อมเสียที่จะกระทบต่อพ่อแม่ต่อะกุลต่อวงสากนายาตยตลอดถึงประเทศชาตินะฮะมันมันก็แล้วแต่ว่าใครคิดได้ละเมียดละไมกันได้เพราะในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยการทำดีทำชั่วของเรามันดีทายาชั่วถายาทแต่วความคิดละเมีดละไมอย่างนี้พูดยากนะ เพราะว่าคนเบลนีเขาชอบคำว่าไม่สนไม่แครนะ์คำว่าไม่สนไม่แคร์นี่น่ากลัวบางทีแกไม่สนใจเลยเลยนะฉันได้ก็แล้วกันได้ประโยชน์ก็แล้วกันเดี๋ยวนี้พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเราสะดุดหกตูแต่เราก็ไม่รู้จะพูดกับใครได้ มีเรื่องเยอะนะฮะที่ที่ได้รับบอกเล่าจากญาติโยมต่างๆซึ่งเขากลายกลับไปเห็นแล้วเป็นทุกข์แต่เมื่อมันนอกวิสัยเราก็ถือว่าสัตว์โลกเขเป็นไปทำกรรมเราไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนเขาแม้แต่บางครั้งบางคราวพวกหนุ่มสาวเข้ามานั่งพพลอดักกันอยู่ริมเจดีย์นะริมประโสด เวาพระไปตักเตือนต่อว่ามันดีวันดาวเลยพูดยากนะคนทำไมเนี่ยแต่จริงก็พูดยากอยู่ซึ่งเป็นผู้กลัวบาปหมายความมาบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นผู้กลัวบาปแต่ไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทําบาปปกลาหานชันชัยในการปล้นในการฆ่าในการยิงอะไรต่างๆเนี่ย บัณฑิตเขาไม่สันเซินอย่างที่อากิโมุมาขยมนักปราดเปอร์เซียที่เขาทีเปรียนไว้ในรูกบ่ายาดหาโจรที่ปล้นฆ่าหมาสนด่าอุบาราทันปลนปราบป้องหมาราชญาติประโยชนพระโยน์หมาราดละพ่อชมจักราชเดชก้อนเกล็ดกันนั้นขันไหมเห็นไหมในวิธีในทัศนของปราดเนี่ยมันก็คือผิดด้วยกันแหละ กองทัพยกไปย่ำยีคนอื่นข้าวฟันทำลายล้างคนอื่นกลายเป็นวีรกรรมผู้ทําเป็นวีรชนเดี๋ยวโจรป้นข่าเหมือนกันแล้วก็น้อยกว่าด้วยแต่กลายเป็นทรชนเพราะในสายตาของนักปรัช ญ, ญานักปราชญ์นักาศาสนานี่ก็ถือว่าำํำตลกทำไมคุณเลือกกำหนดอะไรอย่างนั้น่ะ ในเมื่อผลมันเกิดเหมือนกันคือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นด้วยกันนะทำไมกลุ่มหนึ่งเป็นวีรชนกลุ่มหนึ่งเป็นทรชนนั่นคือมองในมิติที่บริสุทธิ์นะแต่ว่าสังคมโลกเอาอย่างนั้นไม่ได้่เราก็ต้องยอมจํานวนว่าถึงเราจะทําดียังไงเราก็ต้องปกป้องบ้านเมืองเหมือนกันคนอื่นเขา ไม่ยอมรับความดีเหล่านั้นมันก็พูดอะไรเขายากแล้วแล้วท่านก็บอกว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทําบาปเพราะกลัวบาปแท้จริงสัตว์บุรุษไม่สนใจใครเห็นใครไม่เห็นไม่รู้ไม่ไม่สนใจแต่เมื่อว่ามันเป็นบาปแล้วคือไม่ทําอ่ะไม่ทําไม่พูดไม่คิดในเรื่องที่เป็นบาปรู้สึกตะขิดตะขวงใจละอายแก่ใจแม้แต่จะคิด เันพอถึงวินัยของพระเนี่เราจะเห็นชัดได้เช่นพระมองทรัพย์สมบัติของคนอื่นในความอยากได้มองเพศตรงกันข้ามในจิตกําหนดได้ปรับประบาดนะคือขนาดโยมเนี่ยเขายังไม่ปรับแต่ว่าพราะนี่เขาปรับเลยโยมเนี่ไม่ถึงขาดศีลแต่อย่าลืมว่าจิตใจขุดหมูด้วยกันนั่นแหละจิตใจขุดหมูด้วยกันเพราะว่าพวกนี้มันเป็นบาปสากลมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเพียงแต่ว่า พระพุทธพระนั้นพระพุทธเจ้าวางสิขาบทคือเป็นขั้นตอนของการศึกษาเป็นก้าวของการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตให้สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบไปตามลำดับเท่านั้นแต่ความเป็นบาปมันก็บาปนะฮะบาปด้วยก่นเทอฟังเท่าไหร่ เสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมะมีเดท่านผู้ฟังถลายโดยทั่วกันสวัสดี